แล้วก็การทั้งหลายก็เหมือนกับหลุมฐานเพลิงหลุมฐานเพลิงนี่หมายความว่าร้อนชาตินี้นะกกแสวงหาวัตถุนั้นๆก็ร้อนแทบตายอยู่แล้วใช่ไหมถามว่าแล้วชาติหน้าต่อไปล่ะเห็ทำสิ่งนั้นแทบตายเลยนะทุ่มเทมหาศาลเลยนะชีวิตทั้งชีวิตทุ่มเลยนะชาตินี้ก็เดือดร้อนก่อนละแล้วถามว่าแล้วพบต่อไปควรจะอะไรขึ้นมา ที่เขาทุ่มทุมกันเลยนะที่ทุ่มเทกันจริงๆเอาเป็นเอาตายเลยนะตื่นก็แต่ช้หมึดนอนก็ดึกเลยอย่างเงี้ยถามว่าทุ่มเทขนาดนั้นเนี่ยร้อนถามมาเหน็ดเหนื่อยไหมเหนื่อยทุกไหมทุกอันนี้ชาตินี้เห็นๆ็แล้วก็เดือดร้อนก่อนนะแล้วถามมาชาติหน้าละ่ะก็ทุกอีกนั่นแหละชาตินี้ก็ทุกชาติหน้าก็ทุกก็เลยเรียกว่าเหมือนหลุมถามเพลิง น, นะแล้วก็ข้อต่อไปห้าเหมือนฝัน เหมือนอย่างว่าฝันว่าเคยเป็นสาวจริงไหมคุณกลอยใจตอนนี้เขาไม่เรียกแล้วเขาไม่เขาเรียกยา่าอย่างเงี้ยย่าเขาจะไม่เรียกว่าสาวละ <c oughs> ก็มีรุ่นพ่อรุ่นแม่เขาเรียกลูกสาวนะเ <c oughs> มื่อก่อนในะคำว่าเอ๊้ลูกสาวเราก็นึกว่าอายุสักเท่าไหร่นะบางทียังอะไรนะนอสอแปดสิบอย่างเงี้ยฟังแล้ว มันก็เหมือนกับความฝันน่ะนะเหมือนกับความฝันฝันว่าเป็นนายทหารหนุ่มอย่างนี้เป็นต้นเหมือนฝันเหมือนฝันพวกกันเคยไปอเมริกาก็เหมือนฝันเคยไปไหนก็เหมือนฝันมาหมดอนะเหมือนฝันจริงๆอะนะถามว่าเออตอนนี้มาถามว่ามันจริงไหมอ๋อจริงแต่มันเหมือนฝันเอามาให้ดูได้ไหมอ๋อยังมากก็เก็บภาพเก่าๆมาให้ดูอะนะทุกเรื่องเลยนะโดยที่สุดเนี่ยนะ อย่างอย่างพวกที่ไปไปที่ไหนแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายวีดีโอเป็นต้นเนี่ยนะมัเก็บเก็บความฝันเอาไว้ดูต่างหน้าอีกครั้งหนึ่งนะก็ทุกอย่างเข้าไปเกี่ยวข้องเหมือนฝันแล้วก็เหมือนกับของขอยืมเพราะทุกอย่างชั่วคราวหมดโดยที่สุดแม้กระทั่งแผ่นดินที่เราอยู่นี่ก็ของชั่วคราวใช่ไหมเพราะเป็นของยืมกันขึ้นมาแล้วก็เจ็ด คุณนายว่าไงนะสมบัติผลัดกันชมอ๋อะนะของขอยืมแล้วก็ต่อไปอีกก็เหมือนกับผลไม้ผลไม้มีผลดกก็คือเหมือนอย่างว่าไอ้คนหนึ่งอ่ะ น, นะเขาไปเห็นต้นไม้มีผลดกเขาก็มีอพูดอย่างที่เคยเห็นนี่ว่ามีลิ้นจี่ป่าอยู่ต้นหนึ่งลิ้นจี่ป่าคนนี้เขาขึ้นไปก็ไปถึงก็ไปกิน ขึ้นไปบนต้นแล้วก็เก็บกินสิวะอยู่บนต้นนั่นแหละเสแต่ไร้คนเตามตามหลังก็ตามมานะตีแบกขวานมาด้วยไปเห็นต้นเข้าลูกมันน่ากินมากแต่ขึ้นก็นไม่เป็นก็เลยใช้ขวานสับเลยนะปโป๊ะโป๊ะโป๊ะเข้าไปต้นก็ลม้มถามให้คนที่อยู่บนต้นอะ่ะถ้าไม่รีบลงก่อนนี่มันเดือดร้อนนั <laughs> ่นการทั้งหลายนี่เหมือนผลไม้อย่างนี้แหละ เพราะฉะนั้นก็วัตถุกรรมนะก็ลองบริโภคหมกมุ่นกับสิ่งนั้นจนจนให้ตายไปกับสิ่งนั้นเลยเอาไปยังไงนะคลุกคลีเกี่ยวข้องกับวัตถุนั้นจนตายไปเลยเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นไงมันจึงเหมือนผลมไม้จริงๆถ้าไม่รีบออกแล้วเดือดร้อนแ น, น, น่แล้วก็ถ้าผู้ตามมหาชนกเนี่ยท่านตรัสว่าผู้ที่มีวัตถุกรรมมากเหมือนต้นไม้มีผลดกก็หลักสังเกตดูนะลิ้นจี่หรือลำไ ย, ยเนี่ย ลำใยต้นไหนที่ผลดกกับผลไม่ดกมันต่างกันยังไงจ๊ะพี่ น, นิดลูกไหนที่ผลดกลิ้นจีที่มีลูกเต็ ม, ปมไปหมดเลยนะหลังจากเก็บลูกเสร็จแล้วเนี่ยนะลองดูสองต้นเนี่ยโซมังกันก็หลายคนนะคนมีลูกกับคนไม่มีลูกเขาก็ว่าอย่างนั้นนะเสร็จแล้วก็กามทั้งหลายเหมือนเหมือนอะไรเหมือนดาบ เหมือนห อ, อกดาบก็คือฟาดฟันห อ, อกก็ทิ่มแทงมีตัวไหนมั่งที่ไปเกี่ยวข้องแล้วไม่ทิ่มแทงสภาพจิตในในเรียกว่าไม่เหมือนไม่เออเรียกว่าอะไรนะเหมือนไม่เคยถูกแทงจากวัตถุนั้นมาเลยเนี่ยนะเพราะนํ า, านมาซึ่งความเจ็บกายแล้วก็เจ็บใจใช่ไหมนามาเส้นความเจ็บใจจนได้อ น, นั่นแหละเหมือนห อ, อก เหมือนดาบที่รับคมดีแล้วเชือดเหมือนห อ, อกที่พุ่งปัก อ, อกร้อนปานใดเนี่ยนะก็วัตถุที่เราเกี่ยวข้องเกือบทุกเรื่องอ่ะนะก็นํามาเสื่อมความลําบากใจจนได้แหละเชื่อไหมแล้วก็การทั้งหลายก็เหมือนกับหัวงูเห่าบอกหัวงูเห่าผมเป็นยังไงถ้าใครที่เกิดมาไม่เคยได้ยินคําว่างูไม่รู้จักงูว่ามันมีพิษเนี่ยถามว่ามองเห็นแล้วมันน่าดีใจขนาดไหนใช่ยสวยนะ ถ้าเกิดมาไม่เคยรู้จักเลยว่าเป็นงูมองเห็นงูเห่าเวลามันแผลไม่เบีย้ยแผลอะไรนะมันมีแฉกมีอะไรมีลายดอกจันนะโอ้ดูวิจิตอลังการมากงามมากเลยนะถ้าไม่เคยรู้พิษภัยรู้ทุกโทษมันนะมันเป็นสิ่งที่มีลวดลายงดงามแต่ว่าที่ที่เราไม่ค่อยชอบมันก็เนื่องจากเราให้ค่ามันว่ามันเป็นสิ่งที่มีโทษเป็นสิ่งที่มีอันตรายเราก็เลยไม่ค่อยให้ค่ามัน นะแต่ถ้าเป็นแบบเกิดมาไม่เคยเห็นงูมาเลยเด็กๆเนี่ยนะเกิดมาเห็นงูมันจะกลัวไหมไม่กลัวเนี่ยนะชอบซะอีกนะดูสวยดีออกมันน่าเล่นด้วยแต่ว่าเหมือนหัวงูเห่าแล้วก็กามทั้งหลายเหมือนกองเพลิงนะเพราะว่ามันเผาไหมรุ่มร้อนวัตถุทั้งหลายที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องนะมีมีอัศสาธะคือความน่าพอใจยอยู่แต่ว่าน้อยเกินไป เรียนน้ำผึ้งบนงโกลมีโกลนี่มีไหมครับก็สํานวนว่าก็มีสํานวนนี่นะก็คือมันมีความหวานอยู่บ้างแต่ว่ามันน้อยเกินไปที่ <c oughs> <c oughs> เรียนน้ำพึ่งบนใบมีดโกลเนี่ยนะก็ดูนะเรียนแผลบที่หนึ่งสองแฉกเรียแผลบที่สองกี่แฉกแล้วสัยลิ้นเนี่ยเป็นริ้วหมดเลยนะก็ เป็นอย่างนี้แหละวัตถุ ก, กรรมทั้งหลายที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปบริโภคก็เป็นเช่นนั้นแราะพันก็การที่เข้าไปเห็นทั้งอัศาธาอาทีนวะเนี่ยนะตารเข้าไปตรึกลักษณะนี้เป็นเป็นอะไรเป็นเนคข ม, มวิตกเนี่ยนะเ ป, นเป็นเป็นเนคข ม, มวิตกเพราะว่าการรู้ตามความตามสภาพที่เป็นจริงของสิ่งนั้นนะสัตว์ทั้งหลายที่รู้จริงในสิ่งนั้นอนะที่ไม่ออกไม่มีหรอก รู้จริงนะรู้รอบด้านอย่างเช่นโดยตัวอย่างโดยวัตถุข้ออุปมาสิบ ป, ประการทั้งหลายที่กล่าวไปแล้วนะใครที่ไม่อยากออกไม่มีหรอกเนีย่ยนะเพราะมองเห็นโทษมันมากเกินไปที่จะที่จะเอาวัตถุนั้นๆเนีย่ยนะเห็นความเดือดร้อนตามมามากเกินกว่าที่จะที่จะเข้าไปเพลิดเพลินเะนี่ยนั่นก็อันนี้เป็นพื้นฐานที่ทำให้เกิดทั้ง กรรมมศกตาและก็วิปั ส, สนาเนี่ยนะอันนี้เป็นเนคข ม, มวิตกต่อวัตถุการแต่ถ้าเป็นวัตถุอันนั้นคือบุคคลก็อาทีนวสัญญาก็ไปเจริญดุ๊อาทีนวสัญญาก็คือตามเห็นว่าเป็นวัตถุแห่งคือตัวโรคกันนะเป็นวัตถุที่เป็นอย่างสมัยใหม่เนี่ยเขาก็ชื่อว่า เชื้อโรคกันนะตัวเชื้อโรคดีๆนี่แหละวังั้นตัวโรคดีๆนี่แหละก็ไล่ไปไม่มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างที่ไม่ปีโรคไม่มีโรคแะก็การใส่ใจอย่างนี้จะทำให้เนคขมวิตกดีขึ้นวัตถุใดที่เราใส่ใจโดยอดาศะท่โดยอาทีนวะนั่นแหละคือการปลูกฝังเนคขมะสัญญาเนี่ยนะปลูกฝังเนคขมะสัญญาเอาไว้ คือวัตถุใดที่เราเอามาทำปริญญาวัตถุนั้นคือปลูกฝังเนคขมมะสัญญาตันเนคขมมะสัญญาถ้าปลูกฝังไว้ไม่ดีนะยังไงก็กามะสัญญามาถ้ากามะสัญญาต่อด้วยกามะวิตกถ้าปลูกฝังไว้ว่าโดยเนคขมมะสัญญาก็จะตามมาด้วยเนคขมมะวิตกนะนะเพราะว่าถ้าเราตรึกโดยเนข ม, มะเท่าไหร่ขณะที่เราตรึกนะขณะนั้นเวเป็นเนขมมะสัญญา เพราะเป็นฐานเป็นอุปนิสัยให้เกิดเนคขมมะวิตกต่อไปเนี่ยนะก็ปลูกฝังเนคขมมะสัญญาเอาไว้กับทุกอารมณ์พระโพธิสัตว์ท่านตั้งเนคขมมะสัญญาไว้อย่างไรรู้ไหมท่านสมทานเลยว่าภพสามเหมือนคุกเนี่ยนะะพูดภาษาเนีเพราะไหนก็ออกเรื่อเรือนจําพสามคือเรือนจำ เหมือนอย่างว่าผู้ที่ติดคุกนะดีใจใไหมได้มาอยู่คุกสักทีนึงเขามีแต่ดีใจจะได้รับการปล่อยสักทีเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็เหมือนการผู้ที่ติดคุกหรืออยู่ในคุกเกื่อนจาคือวัตตะเนี่ยมุ่งที่จะออกโดยส่วนเดียวชันใดพึงเห็นภพสามชันนั้นนี่ท่านสมาทานไว้เลยนะคิดดูนะคนมีสมาบัตแปด 8. อภิน ญ, ญาห้า อุปนิสชาตินั้นถ้าจะเอ า, อารหัตก็ได้เป็นคนจริงจังขนาดเนี้ยสมาทานขึ้นเพราะความสมาทานเนเข ม, มะเนเขเนเข ม, มะตัวนี้เรียกกันเยอะไรนะีเนเข ม, มะบารมีใช่ไหมท่านสมาทานอันนี้ทําให้ท่านไม่ติดอย่างสังเกตดูนะถ้าใครศึกษาพุทธประวัติดีๆเนี่ยจะรู้ว่ามีใครบ้างที่ทําตัวเหมือนเจ้าชายสิทธัตถะมีไหมประสบความสําเร็จอย่างนั้นแล้วเดินออก โดยที่ไม่สั่งลาเลยนะไม่มีเท่าที่ได้ยินนะหนีออกไปดืด้อๆเพราะประสบความสําเร็จเลยออกเลยอย่างเงี้ยหายไม่มีอ่ะท่านจะรู้ว่าอัธยาสาัยท่านตั้งความปรารถนาสมาทานไว้อย่างนั้นมาจริงๆพเพราะะฉนัไอการสมาทานตัวนั้นทําให้ท่านเป็นคนที่มุ่งออกจากภพโดยส่วนเดียวท่านไม่ติดข้องในในภพทั้งหลายะนั้นเราต้องสมาทานเนกขมมะสัญญาเอาไว้ บๆใช่ไหมสมาทานเนคขมมะสมาทานที่จะต้องออกนะต้องออกอยถึงวันนี้ยังไม่ออกก็ต้องออกสักวันหนึ่งต้องออกให้ได้แต่ก็หลายคนก็ตั้งอยู่แล้วใช่ไหมต้องเป็นพระสงราบันให้ได้สักวันหนึ่งเถอะแต่ว่าก็มาดูว่าไ อ, เอตัวสัญญาตัวนี้มันหนักแน่นมั่นคงแค่ไหนด้วยนะมอยุพินกามาสัญญากันเนคขมมะสัญญาตัวไหนปลูกฝังไม่มากกกัน ก็มาไล่ชำระนะธทางธรรมะนะเขาไล่ตรวจสอบเขาเขามีการตรวจสอบได้นะตรวจสอบว่ารูปเสียงเป่นรถโพธพภะเนี่ยนะอะไรบ้างที่เรายังติดอยู่อะไรบ้างที่เราเห็นว่ามันดี กุการไม่ถามนะเขาเขารู้ว่ามันไม่เนคขมวิตกมากเนคขมสัญญาดีขึ้นนะดูสิญญอะไรนะมีสัพพาโลเกย้ะพิรตตาสัญญาตอนนี้รู้ว่าจะออกอย่างเดียวนะแต่ว่ายังหาทางไม่ได้ประตูมันแน่นเหลือเกินะนะสัพพาก็คือทั้งปวงเลย โลเกก็คือโลกอนัพีรตะแปลว่าไม่น่ายินดีสัญญาก็แปลว่าสำคัญหมายก็สำคัญหมายว่าทุกอย่างจำได้สำคัญหมายเลยไม่น่ายินดีในโลกทุกชนิดในสารพัดเนี่ยนะไม่น่ายินดีแม้แต่รีสอร์ทก็ไม่น่ายินดีไม่ยอมไปเลยรถก็ไม่ค่อยล้างละ ก็ไปเอาสักอย่างนั้ไม่น่ายินดีไปหมดอนะก็ดีและวอย่รถดีรถใช้คนรถมันใช้คนคือมองเห็นเรียกว่าเจริญสพัพพะโลเกนะพิรตตสัญญาเนี่ยถ้าปลูกฝังตัวนี้ไว้มากๆเรียกว่าปลูกฝังเนคขมมะสัญญาถ้าเนคขมมะสัญญาดีจะตามมาด้วยเนคขมมะวิตกแต่ทีนี้ไอ้ตัวเนคขมมะสัญญาดีเนี่ยนะ คนนั้นอะ่ะสัญญาในอริยสัจนี่ต้องต้องแม่นหน่อยใช่ไหมนี้ทุกนี้เตุแ่งทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกอ่ะนะตัวนี้ต้องแม่นๆม่นแม่นมากๆเลยถ้าไม่ค่อยแม่นนะถามว่าเอ้นี่ถ้าออกแล้วจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเออห่วงมากเลยนะกลัวตัวเองจะไม่มีที่อยู่นี่ถ้าออกหมดแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ย เอาไงกันเนี่ยหนักใจเลยกั น, น <c ười> คล้ายๆกับว่าอะไรนะเหมือนกับว่าเออนี่เราต้องทุบหมอ้อข้าวไปเลยนะเราอยู่ไม่ได้แล้วแล้วเราไปกินอะไรต่อไปเนี่ยนั่นถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าถ้าพื้นฐานอริยสัจไม่ดีมันจะเป็นอย่างนั้นเนีย่ยนะถ้าพื้นฐานอริยสัจไม่ดีเนยะเพราะว่าจะเอาตัวเองเป็นตัวไปเสวยอีกจนได้ใช่ไหมมุ่งที่จะเอาตัวเองไปเป็นผู้ผู้เสวยใน ในสิ่งนั้นๆอีกจนได้เพราะฉะนั้นตัวเนคขมมะสัญญาเนี่ยมุ่งจะออกโดยประการทั้งปวงเนี่ยมุ่งจะออกจากขันเคยมองเห็นทั้งอัสสาธาของขันว่าขันแต่ละขันมันน่ายินดียังไงแล้วถามว่าโทษของแต่ละขันเนี่ยเป็นอย่างไรเห็นไหมก็อุบลชูอาทีนว่าสัญญามันปรากฏมากเลยใช่ไหมเนคขมมะสัญญามันดีขึ้นทุกวันเ <laughs> จ๋อแล้วย่าไปมุ่งการมสัญญาอันใหม่ก็แล้วกันนะ <laughs> นะทิ้งภพอันนี้แล้วถือเอาภพอันใหม่เนี่ยไม่ใช่นะทิ้งภพอันนี้แล้วภพอันใหม่ก็ไม่ต้องการก็มานิการอย่างนี้เอาไว้ให้ดีๆกันแล้วกันทําไม่มานัิการอย่างนี้เอาไว้ให้ดีนะเพราะว่าทุกเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาทุกเนี่ยมันทุกเนี่ยโดยโด ย, โดยตัวทุกนะทุกในวัตตะก็ตามทุกเป็นมูลก็ตามเป็นปัจจัยแก่ศรัทธากับเป็นปัจจัยแก่ ตัณหาถ้าเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาก็คือจบด้วยอนุปาทาปริณิพานเนี่ยนะถ้าเป็นปัจจัยแก่ตัณหาก็คือได้วัตตะอันใหม่แล้วก็ก็แบ่งออกสองส่วนนี้ให้เป็นนะทุกเนี่ยเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาก็มีทุกเป็นปัจจัยแก่ตัณหาก็มีก็ดูว่าถามมาสังเกตดูดูจากอะไร เมื่อความทุกข์เกิดขึ้นเรานึกพึ่งใครอ่ะนะอันนั้นแหละเท่ากับบอกได้เลยว่าที่สุดของเราเนี่ยควรอยู่ที่ไหนถามว่าของเราพึ่งใครก็คือพึ่งพระพุทธเจ้าใช่ไหมถ้าเรามุ่งพึ่งพระพุทธเจ้าแสดงว่าจบด้วยอนุปาทาปรินิพานทำที่สุดแห่งวัฏทุกไร้ถ้าเราพึ่งคนอื่นที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเฝาวัตะต่อไป เพราะคนอื่นที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยนะไม่มีหรอกที่เขาสอนให้ออกจากขันห้าขันห้าไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเนี่ยนะเขาไม่กล้าสอนขนาดนั้นหรอกเขาไม่กล้าสอนจริงๆนะว่าไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละขันห้าเสียขันห้าที่เธอทั้งหลายละแล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขเนี่ยไม่กล้าสอนกันหรอกเนี่ยนะเขามีนะเออเนี่ยนะมี น, นี่ขันอันนี้ไม่ดีนะแต่มีขันที่หนึ่งแนละ้นมันดีมากไปมา ข้าผ่านทางกี่หมื่นก็ว่าไปอย่างเราถือว่าพุทธศา ส, สนานี่ดีกว่าศาสนานอื่นนี่เป็นมารนาดดีกว่าเป็นมารนา น, นะครับแล้วแล้วเขาจะไปถามใครอ่ะ คือพอมีความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยนะคุแก้ปัญหาด้วยอะไรแก้ด้วยศรัทธาหรือแก้ด้วยตัณห า, าทีนี้สิ่งที่ที่ตัวเองเกี่ยวข้องอยู่นะแต่ละคนก็บอกว่าฉันมีศรัทธาพอพอความทุกข์เกิดขึ้นนะแต่ละคนจะอ้างว่าฉันเป็นคนมีศรัทธาใครจะบอกว่าตัวเองเป็นคนไม่มีศรัทธาช่วยทีนี้วิธีง่ายๆว่าความทุกข์นั้นเกิดขึ้นเรานึกถึงพระธรรมตรายเลยไหม หรือนึกถึงอะไรก่อนเป็นลำดับแรกอันนั่นแหละประกาศว่าจริงๆแล้วเราคือใครว่าเราตอนนี้เราเราเราเป็นยังไงถ้านั้นมีทุกเกิดขึ้นมานึกถึงพรตนะตรายตรายนี้แปลว่าสามนะท้านึกถึงพรตนะตรายแสดงว่าจบด้วยปรินิ้ผ่านอันนี้คือเราว่าแก้ปัญหาจริงๆเลยแต่ถ้ามีคนอื่นที่ไม่ใช่พรตนะตรายจบที่วัตต มันก็แปลว่าไม่ได้จบอะไรหรอกนะหมายเขาว่าเฝ้าวัดตะต่อไป ก, ก็ก็เหมือนอย่างว่าอย่างเขามีกรณีอนะหนีเสือปะจระเข้นะมันจะเป็นกลุ่มนั้นก็บอกอ้าวไปเพื่งพ่อพระใช่พระเพลิงก็เลยถูกเผาต่ออี ก, กนะก็เลยกลุ่มแบบนั้นนะถ้าหากว่าเลือกเพึ่งไม่ถูกที่ก็อย่างอย่างสมัยนี้นะพอเขาเราดูออกไปว่าเขา เขาไปไปสแสวงหาบุคคลที่จะช่วยเสริมตันหาให้เขาได้ น, นะเวลาเขาทุกข์เกิดขึ้นนะเช่นไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกเอาคุณเอาอันนี้ไปแล้วคุณจะรวยเออเอาไปยิ่งใหญ่เลยนะเอาถือว่าไปเรื่องเป็นราวเลยนะก็เลยจะได้รวยเพะะื่ะนก็แก้ด้วยอำนาจของตันหาเอางี้พิยมมาทำสมาธิสิพิยมทำสมาธิแล้วจะรวย น, นะจะด้วยอะไรก็ตามเถอะขึ้นต้นด้วยเนะี้ยสายนี้เป็นเฝ้า วัตตะซะส่วนใหญ่เนี่ยนะอาจารย์ถ้าเืิว่าเราเรามีทุกเราเรามีทุกแล้วเราเข้าไปถึงปาเด็นทนายนี่เป็นจรบสวะสาเขาถามว่าไปหาทนายอ่ะก็วัก็ทนายเขาชวนให้เราเห็นอริยสัจไหมล่ะ <c oughs> เอาอย่างนี้นะทำอย่างนี้นะคุณจะได้เสียน้อ ย, อยใช่ไหมอย่างนั้นแล้วคุณจะได้เยอะๆฟ้องมันคืนเลยผมจะได้มีปเปอร์เซ็นด้วย <c oughs> ก็อญาติ้องขออนุญาตอธิาบายให้คุณวิราวันทังใหม่อคือที่พระอาจารย์เขียนบอกว่าทุกเนี่ยนะมันทําให้เกิดตัณหานะอีกข้างหนึ่งเนี่ยทําให้เกิดตัณหาอีกข้างทําให้เกิดศรัทธา ก, ก็ได้สองอย่างนี้นะเพราะว่าทุกเนี่ยเขาคือมองในปฏิจจสมุปบาทนะจะเห็นว่าทุกนี่คือตัวเวทนาถามว่าเวทนามันเป็นประจายให้เกิดอะไรอืม อ่าใช่ไหมอันนั้นตรงอยู่แล้วใช่ไหมแต่ตรงอยู่แล้วตัวนี้ทางฝ่ายศรัทธาเนี่ยก็เกิดได้ใช่ไหมถ้าเกิดศรัทธานี้ไม่เกี่ยวเข้าไปว่าเราจะมุ่งนิพพานหรือเราจะไม่มุ่งอสังขตะเนี่ยนะศรัทธาตัวนั้นก็จะไปสู่ตัณหาจนได้ถูกไหมครับนะฮะแต่ว่าศรัทธาตัวนี้ที่อาจารย์เขียนมาเนี่ยหมายความว่าเป็นศรัทธาที่ที่มุ่งอสังขตะนะจึงจะไปสู่วิวัสตะมอะ คือเข้ามาจากปฏิจจหมุปบาทนเวทนาถ้าไม่เกิดัาคือคือศรัทธานะถ้าหากว่ามีมีพระนิพพานนะคือมุ่งหมายเพื่อที่จะหลุดพ้นนี่นะตัวศรัทธาตัวนั้นก็เป็ น, เ ป, นเป็นกุศลที่เป็นเอ่อกุศลที่เป็นวิวัตตตคืออย่างคำว่าศรัทธาเนี่ยถ้าฟังไม่ดีเนี่ยอย่างหนังสือบางเล่มชอบเขียนมาว่าศรัทธาก็คือความเชื่อ ก็เชื่อถามว่าเชื่อใครเนี่ยนะเชื่อว่าอย่างไรซึ่งมันก็ไม่เข้าตรงประเด็นอ่ะนะพันศรัทธาในที่นี้ที่เราพูดกันเนี่ยหมายถึงว่าตรัสเชื่อหรือเลื่อมใสในความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าต่ถาคดโพธิศรัทธาเชื่อความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าแปลว่าพระพุทธเจ้าแก้ปัญหาให้เราได้อ่นนะเชื่อแบบนี้ว่าพระพุทธเจ้าแก้ปัญหาให้เราได้ปัญหามันจะใหญ่ขนาดไหนก็ช่างเถอะ พระองค์แก้ปัญหาให้เราได้อันนี้แหละเรียกว่าศรัทธาทําไมเราจึงมั่นใจว่าพระพุทธเจ้าแก้ปัญหาให้เราได้เนื่องจากเรารู้คุณของพระองค์เป็นอย่างนี้ว่าพระองค์ไม่หลอกลวงเราโดยประการทั้งปวงพระองค์จะมูสาเราเพราะเหตุแห่งอะไรเล่าไม่มีประโยชน์โดยประการทั้งปวงฉะนั้นเราศรัทธาในความตรัสรู้ของพระองค์ว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยนะทำให้พระองค์ดับทุกข์ได้จริงผ่านพระองค์ก็จะสอนให้ผู้อื่นดับทุกข์ด้วยพ่านเราขอแก้ปัญหาตาม พระพุทธเจ้าแล้วทํำสิ่งที่พระ อ, องค์สอนให้ดับทุกข์คืออะไรก็คือพระธรรมใชพระธรรมนั้นก็ไม่ใช่ว่าอากุสลธรรมนะไม่ใช่หมายถึงอริยสัจจะทำเป็นตัวที่ทําให้ให้ดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงก็คืออริยสัจจะทำโดยเฉพาะนิโรสัรจจะตับมัคสัจจะเนี่ยนะทุกขสัจเราก็ทุกอยู่แล้วใช่ไหมสมุทัยเราก็มีอยู่แล้วแต่ว่าโดยเฉพาะมัคสัจกับนิโรสัจจะ พร้อมทั้งสิ่งที่พระองค์บอกกล่าวคําสอนแนะนําเราเนี่ยดับทุกข์เราได้จริงๆแล้วก็ถามว่าเราต้องการตัวอย่างมีไหมที่เขาดับทุกข์ได้จริงพระสารีบุตรท่านเสียใจไหมท่านมองไม่น่าบวชตั้งแต่นหนุ่มมาจนถึงแก่ปานนี้เลยพระเคยได้ยินพระอรหันต์รูปใดบน่นไหมไม่มีแต่ละท่านพูดว่าการที่ท่านได้เข้ามานับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการมาดีแล้วหนอทุกท่านพูดอย่างนี้เลยเพราตอนนี้อภิชาสามพิญญาหกวิโมกขแปด ปฏิสัมพิทาสีท่านเหล่านั้นท่านได้กันอย่างนั้นนั่นคือความปฏิบัติดีของผู้ที่ปฏิบัติตามคําสอนเราฟังและเราเห็นด้วยเห็นด้วยเออแก้ปัญหาแบบพระพุทธเจ้าเนี่ยช่วยแก้ปัญหาเราได้จริงๆเพราะนั้นก็เลยเรื่อมใส่เริ่อมใส่ก็เลยมาขอศึกษาวิธีการที่พระ อ, องค์แนะนำเราว่าเราจะดับทุกข์ได้อย่างไรทุกตัวนี้มันเกิดจากอะไรและพระ อ, องค์สอนเราหมดอยู่แล้วเนี่นย อันนี้คือเรียกว่าเดินตามอย่างที่พระพุทธเจ้าแนะนําอย่างนี้ที่สุดแห่งวัตจทุกข์จักมีได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าศรัทธาก็บอกว่าเออนี่นะคุณไปนับถือพระพุทธเจ้าแล้วจะรวยจะได้มหาพูดเยอะๆเนี่ยนะก็เดือดร้อนเรื่องมหาพูดอยู่แล้วบอกว่าพระพุทธเจ้าจะให้มหาพูดเพิ่มอีกนะั้นมันน่าคิดเหมือนกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือเราก็ทุกเรื่องนี้อยู่แล้วนะเสร็จ แ, แล้วต้องการไปขอเอาทุกข์อันใหม่อีกนะโดยไปขอเอาทุกข์อันใหม่เนี่ยถามว่ามันน่าดีใจไหม มันก็ไม่น่าดีใจอนะก็คือก็บอกว่าเหมือนอย่างว่าเรามีโรคชนิดหนึ่งประจําตัวใช่ไหมเดือดร้อนเรือกเกินไปหาหมอหมอบอกเอานี้นะฉันให้โรคแกไปอีกอันหนึ่งเอาไหมแกจะได้เลิกทุกข์เพราะโรคอันนั้นก็เอาไปโรคอันใหม่ไปรักษากันแล้วกันเขื่อไหมคนทั่วทไปเนี่ยนะอันนี้อัน น, น, น, น, นี้อุปมานะเหมือนอย่างว่าถามว่าหมอแบบนั้นน่าสนใจไหมไม่น่าสนใจคนที่เราเข้าไปหาเขาให้เขาแก้ปัญหาให้นะโดยมากเขาหาทุกข์ให้ใหม่ เดี๋ยหาทุกให้ใหม่เกือบทั้งนั้นแต่ที่นี้ถามว่าโอ้มาศึกษาปไตยปิฎกเนี่ยเป็นทางที่จะดับทุกแล้วอ่านแล้วเครียดไม่ใช่หาทุกให้เราใหม่หรือว่าไงกันเนี่ยอ่านแล้วก็ปวดหัวอ่านแล้วก็เครียดเหม็นสนุกเลยทุกก็ทุกมึนก็มึนแล้วเราจะอธิบายยังไงอาจารย์เกตเหม็นเรียนสนกเลยนะเรียนก็ยากยากอ่านแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะ อ๋อฟังไปกันแล้วกนะันอ๋อค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆคือจริงๆก็บอกว่าพระ อ, องค์ก็บอกว่าผู้ที่ปฏิบัติในาศาสนานี้มีอยู่สี่กลุ่มด้วยกันอันนะผู้ที่ปฏิบัติในาศาสนานี้นะหนึ่งทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาปฏิบัติเป็นทุกรู้ชา้ารู้ได้นะแต่ว่ารู้ชา้าข้อสองทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาปฏิบัติเป็นทุกขแต่รู้เร็วบางพวกปฏิบัติสุขขาปฏิปทาปฏิบัติเป็นสุข รู้ช้าบางพวกสุขาปฏิปทาขิด ป, ปาพิญญาปฏิบัติเป็นทุกขปฏิบัติเป็นสุขและรู้เร็วอ่านะก็แล้ว แ, แต่ทีนี้ว่าอย่างบางคนก็สุขาปฏิปทาขิด ป, ปาพิญญาก็แล้วแต่ใครอีกครั้งหนึ่งของเรากลุ่มไหนลนะ่ะควรจะบรรลุเร็วไหมควรจะปฏิบัติเป็นสุขไหมก็มันดูเบื้องหลังโหเรียกว่า กิเลสเต็มใจไปหมดเลยนะเหมือนกับคนมีหนี้สินเต็มตัวไปหมดแล้วจะมาขอแบบง่ายๆไ ง, งนะมันก็ไม่ใช่ง่ายหรอกใช่เพราะยาบางอย่างเหมือนอย่างว่ายาบางขนาดก็ไม่ได้ว่าให้แต่ความเย็นเสมอไปใช่ไหม ย, ยารักษาโรคนี่ให้แต่ความหวานความเย็นอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่แล้วผมร่วงเลยว้างเลยให้แล้วร้อนเผาผมร่วงไปหมดเลยว่าไงเ น, นั้นก็จะรู้ว่ายารักษาทั้งหลายก็ไม่ได้เย็นเสมอไปหรอกแต่ว่านั่นก็คือการรักษา ธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนก็เหมือนการบางสูตรนะฝืนต่อกิเลสมากเนยนะอุโบสถที่แล้วไม่ค่อยหิวใช่ไหมไม่มีปัญหาอ๋อนีแจ๋วแล้วนะดีดีดีดนะรักษาอุโบสถไม่รู้สึกหิวนี่ก็ดีละได้ตั้งสองอุโบสถนะอุโบสถนี้เอามาเพิ่มอีกนะ น, นะโอ้นี่จากนี้จะจนกว่าชีวิตจะหาไม่ได้หลายอุโบสถนะไปคิดเป็นเรื่องธรรมดาเนี่แหละจะเป็นที่พึ่งเมื่อก่อนกังวลกับอาหารพราเราทานตลอดคืน อ, อะไรเนี่ยค่ะไปทานไป อืมป mm ัญหาแต่ว่าไม่มีล่าดีละดะเพราะฉะนั้นก็นี่แหละเป็นวิธีออกอนะนี่ออกจากมหาพูดได้ระดับเนึ่ยก็ดีใจเถอะภูมิใจเถอะมันก็ต้องดีใจนะที่ได้เจริญกุศลดีใจที่กุศลเจริญขึ้นดีใจที่ละอาคุศลได้อันนี้เป็นอริยวงแต่ก็อย่างว่านะการแก้ปัญหาตามพระพุทธเจ้านั้นถ้าบุคคลที่ไม่เข้าใจหลักการคําสอนเนี่ยนะก็พอเจอปัญหานี้นิดหน่อ ย, อยก็ก็อาจจะเลิกราไป แต่ทีนี้ก็อย่างว่านะเลิกแก้ปัญหาตามพระพุทธเจ้าก็ไปแก้ปัญหาที่ไม่มีจบมีสิ้นอยู่ในวัฏะนะไม่มีใครแก้ปัญหาจบเ mm hmm. ชื่อไหมไม่มีจบอย่างร่างกายนะคสมมตนะิให้คุณมีชีวิตเป็นอมตะตลอดไปถามว่าเราจะแก้ปัญหาร่างกายตัวเองจะแก้ว่ายังไงนะสมมตนะิให้คุณอยู่อย่างนี้แล้วแก่อย่างี้ไปเรื่อย ๆ, ๆแล้วไม่ให้ตายด้วยเ ให้เจ็บให้ปวดให้เมื่อยให้ทรมานอยู่อย่างนี้ให้หิวให้กระหายให้ทุกข์ให้ลําบากอย่างเงี้ยถามว่าแล้วแก้อย่างไร อ, อ่ะโอฝ่าว่าแล้วเกิดใหม่เกิดใหม่ไปเลยเนี่ยนะมันก็อย่างนี้แหละท่านก็ขอให้เดินตามพระพุทธเจ้าเถอะแล้วจักทําที่สุดแห่งทุกข์ได้พระองค์บำเพ็ญบารมีมาเสียสงไข่แสนกลับใช่ไหมเพื่อจะมาช่วยเราอ่ะนะพระองค์จะหลอกเราไปทําอะไรไม่มีประโยชน์อะไรหรอกแต่สําคัญว่า จะต้องกำหนดจดจำคำสอนของพระองค์บ้างอะนะต้องลงทุนจำบ้างเิลงทุนจำคำสอนลงทุนคิดตามคำสอนบ้างเลย อ, อ, อนนะไสมควรแก่เวลาแล้วเนาะ